ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอะไรไหมตึมตึมเป็นเสียงกลองเป็นเสียงกลองอันเป็นธรรมตะตึมตึมตึมเป็นเสียงกลองแห่งอมตาธรรมที่มีพระองค์หนึ่งได้ตีกระนำอาไว้พระองค์นี้นามสกุลโคดม มีตาแหน่งเป็นสมาสมุทเทฆ่าตีเอาไว้อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่กวางเนื้อทรายจำอาศัยหลบภัยกวางเนื้อทรายเนี่ยพอมันเห็นใครมันก็จะรีบเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากที่ร่มนี้สู่ที่ลุ่มโน้นมันก็มีที่หลบภัยของมันอยู่อันหนึ่งนั่นคือป่าแห่งนี้ คือป่าที่ชื่อว่าอิสิปตนะมฤคติยวันพระองค์นี้ได้ตีกระหน่ำกลองแห่งอตรรมตะทำเอาไว้เป็นเสียงกรองที่ทุกวันนี้เราก็ายังได้ยินกันอยู่เสียงที่บรรลือลั่นเหมือนเสียงของีรหนาฏเสียงของสรีนาฏคือพยาศิีหานี่เป็นพยาสัต ย, ยิ่งกว่าสิงโตในปัจจุบันศรี น, นาฏนี้ เวลาที่มันจะออกหาอาหารมันก็ออกตอนหัวคำ่ำตอนเย็นๆช่วงพลบแลที่ที่กาลังจะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนสีหะ ก, ก็จะออกหาอาหารก่อนจะออกหาอาหารก็จะบรลือสีหน้าสามครั้งซะก่อนการบรลือสีหน้าของพยาสีหะนี้ก็ทำให้สัตว์ต่างๆจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็ก สัตว์ที่อยู่บนบกสัตว์ที่อยู่ในน้ำตานก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจกว่าสีหาจะออกหาาหารแล้วเราเรีบหลบก่อนสีหาที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ต้องการให้สัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมาประสบความลำบากเพราะตัวเราให้มันหลีกไปซะก่อนเราได้ยินเสียงนี้คือเสียงการบันลือเสีย ห, หนาด ของสมสัยสมุทรเจ้าเราได้ยินเสียงนี้คือเสียงตีกระหน่าของกลองอันเป็นธรรมตระยังเป็นเสียงธรรมะที่เราจะได้ยินอยู่ทุกวันทุกวันมีขา้าพเจ้านี่มาช่วยบอกต่อเสียงสีห์หรือเสียงกลองนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเวลาที่นักรบเข้าออกไปรบเนี่ถ้าใครเดยนดูภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องการรบแล้วเขาจะให้สัญญาณในการเดินหน้าในการสู้ในการรบเนี่ย ก็คือด้วยเสียงกลองแต่อย่างตัวนี้เราก็ยังเห็นวงโยธวาที่วงดุิยางนี้ของกองทัพต่างๆเขาก็ต้องมีในเพื่อที่จะให้สัญญาณในการรบในการเดินหน้าด้วยเสียงกลองก็มีกลองอันหนึ่งในสมัยก่อนอินเดียโบราณก็เรียกว่ากลองอนากะก็คือกลองที่จะมีเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั้ง10ทิศเสียงของกลองนี้สั่นสะเทือนพื้นอย่างสะเทือนนไปทั้ง10ทิศ ใครทดยินเสียงนี้กบเดินหน้าลูกเดียวตึมตึมตึมตอนที่พ ร, ระพุทธเจ้าประนํำตีกลองนี้ก็ขึ้นสู่ธรรมประสาทคือประสาทที่สำเร็จแล้วด้วยธรรมธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้ารู้มาศึกษามาค้นคว้าค้นพบได้ตรงนั้นเป็นประสาทเป็นเหมือนกับสถานที่สถานที่หนึ่ง เป็นความองค์ความรู้อันหนึ่งที่ยืนอยู่บ น, นความรู้เนี่แหละแต่ล้วก็ประกาศเผยแผ่ธรรมจักออกไปตีกระนํากลองันเป็นธรรมะบรรลือสีนานไปใ น, นที่ป่าอิสิปตนะมฤุกะทยวันเสียงนี้สะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นไปจนถึงบนเทวดาชั้นฟ้าที่เป็นสวรรค์พรหมก็จะได้ยินเสียงนี้หมดบรรดาพวกเทพต่างๆที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็ มีความสะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจใน ต, ตอนแรกคิดว่าตัวเองนั้นจะเที่ยงจะยั่งยืนจะมั่นคงแต่พอเสียงแห่งธรรมะเข้าไปทําให้รู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรมั่นคงแล้ก็รู้สึกสลดใจสังเวชใจนับว่าตัวเรานั้นมาสําคัญมาเราว่าเที่ยงว่ายั่งยืนว่ามั่นคงแต่จริงๆแล้วตัวเรานั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคง ถูกถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์เสียงธรรมะในตำฝังมันเป็นเสียงแห่งความจริงเสียงแห่งความจริงเสียงแห่งธรรมะนั้นบางทีฟังแล้วไม่ได้ชอบใจแต่เสียงที่ชอบใจคือเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์เนี่ยแม้มาก็าทบหูแล้วมันมีความชอบใจมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมายินดีนั่นคือเสียงสวรรค์แต่เสียงธรรมะไม่ใช่เสียงสวรรค์เป็นเสียงแห่งความจริง เสียงธมะนี้บางทีฟังแล้วอาจจะทำให้เราไม่ชอบใจเพราะเป็นความจริงนี่ห ย, ย่บางคนก็ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงไม่กล้าอยอมรับความจริงทั้งๆที่ข้อมูลที่เขามาบอกนั้นเป็นความจริงเราฟังความจริงเราฟังเสียงธรรมะเสียงกระนํำตีกรองโดยสมาสมุรุชาติของเราแล้วให้เห็นความจริงทังฟังความจริงบางทีเราอาจจะไม่พอใจ ความจริงเสียงนี้มันจะเตือนเข้าไปถึงกระดูกเลยก็มีแตเราฟังเสียงทางหูนี่ผ่านกระดูกทั้งคอนโคนนี่มันกระตือนเข้าไปอาจจะถึงกระดูกเลยนะว่าความจริงมันก็ปรากฏอยู่ที่กระดูกเรานี่เหมือนกันว่าแม้กระดูกของเรากายของเราเนี่ยถูกยกขึ้นด้วยกระดูกสามรอท่อนยกขึ้นมาตั้งเป็นกายขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีกระดูก นะตัวมันก็แบบเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสลังนะทาังมันต้องนอนมันต้องว่ายน้ำไปมันจะตั้งตัวอยู่ไม่ได้กระดูกของเราที่ว่าแข็งแข็งเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะมันเสื่อมสลายไปได้กระดูกที่ยกกายเราขึ้นนี้มันก็แตกหักได้นะในสมัยพุทธกาลก็มีท่านพระมหาโมกลานะนี่ถูกโจนรุมทำร้ายจนกระทั่งทุบกระดูกของท่านให้แตกนะเท่ากับ มเมล็ดข้าวสารหักอย่างนี้ก็มีพอท่านถูกพวกโจรทุบ ก, กระดูกให้แตกจนเป็นมเมล็ดข้าวสารหักอย่างนี้แล้วเราก็จะคิดว่าเราถึงกล้าที่จะประินิพพานแล้วก็เลยใช้พลังใช้ฌา น, นในการประสานกระดูกไปทูลลาปฏินิพพานจากพระพุทธเจ้ากระดูกที่เราพิจารณาให้เห็นความจริงว่ า, าคิดว่ามันแข็งอยู่มันกระดูกเหล็กอยู่บางคนนี เอาเหล็กใส่เข้าไปในกระดูกขาหักหมอเขาเอาเหล็กต่อไว้อันนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดว่าตัวเองกระดูกเหล็กเหล็กแค่ไหนมันก็พังได้แข็งแค่ไหนมันก็เสื่อมหายแตกสลายพังทำลายได้เสียงนี่แหละมันสั่นสะเทือนเข้าไปหมดเต็มฝังภูเขาต้นไม้ใบหญ้านะมันสั่นสะเทือนไปหมดเวลาเขาตีกลองเนี่ยนะจะให้เสียงมันไปไกลๆนี่ กขาต้องขึ้นไปบนที่สูงแต่บริรูชของเราก็เป็นผู้ที่เปรียบเสมือนผู้ที่ยืนอยู่บนช่องั้นผานะ ย, ยืนอยู่บนภูเขานี่ยมองเห็นบุคคลได้รอบนะเป็นผู้ที่ขึ้นสู่ประสาทอันสําเร็จได้ด้วยธรรมแต่ความองค์ความรู้ต่างๆที่พระองค์ตรัสรู้มาทราบมาค้นพบได้นั่นเป็นพื้นฐานเป็นความรู้ที่ส่งออกมาให้เราเสียงนี้ก็ยังก้องอยู่ บรรลืออยู่แพร่ไปอยู่ในปัจจุบันเราได้ยินเสียงนี้จากที่ต่างๆไนฟังนะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุรายการธรรมระรบุ่นะี้หรือว่ารายการธรรมอื่นๆแนะทางทีวีบ้างมาทางมือถือโทรศัพท์อนะินเทอร์เน็ตมาตามที่คนที่เพื่อนเราบอกมาให้ฟังนะเราลองฟังดูแล้วนะมันสะเทืนเข้าไปในจิตนะมันสะตืนเข้าไปในจิตถึงกระดูกอย่างที่ว่านั่นแหละ ทำให้เราตื่นเราต้องตื่นถ้าเราได้ยินแล้วเรายังไม่ตื่นเรายังเป็นผู้หลับไหลไม่ได้นเราได้ยินแล้วเสียงกรองนี่มันดังนะบางคนนี่ได้ยินเสียงปุ๊บนี่มันเสียงอะไรนึกไม่ออกอนัเรานึกให้ออกนึกให้ออกการที่เราได้ยินเสียงธรรมะแล้วเรายังระลึกได้ว่าโอ้นี่เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาพประกาศไว้ดีแล้วแต่เหมือนเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งตึ้มตึ้ ม, ต, มตึ้มมา โอ้นี่มันเสียงกล้องเราระลึกได้เรารู้ได้หรือได้ยินเสียงอะไรเสียงหนึ่งก็วุนมานี่โอ้นี่มันเสียงสังเราระลึกได้นี่เป็นเสียงธรรมะทํานฟังเราให้ระลึกให้ได้ตื่นได้แล้วลุกได้แล้วตอนที่เรานอนเนี่ยเราหลับไหลไปเราไม่รู้สึกตัวเลยนะพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นปึง้งโอ้ได้เวลาตื่นหแปลว่า ท่านผู้ฟังลองไม่ใช้นาฬิกาปลุกนะรู้สึกตัวตื่นก็ตื่นลุกเลยเนี่ยความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่ๆเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากหลับแล้วมาตื่นตอนให้หลับแบบไม่ฝันเลยลไม่มีฝันไม่มีอะไรมันเหมือนกันเงียบหายไปจนตั้งถึงหลับปุ๊บก็ปึ้งขึ้นมานี่ตรงนี้ถ้าเราได้ยินเสียงทำมาแล้วให้เราตื่นแบบนีนะ้รู้สึกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาปลุก แต่ในที่นี้คือมีเสียงธรรมะเราได้ยินมาตลอดอยู่แล้วแตการที่ท่านไปฟังมาฟังแล้วรู้สึกว่าเออธรรมะนี่มันดีแฮฟังแล้วเข้าใจแฮถูกต้องแฮมันเหมือนกับชีวิตของเราเลยแฮก็ใช่สิสแสดงว่าเราเนี่ยเคยฟังมาก่อนเราเคยได้ยินเสียงกลองนี้มาก่อนแต่พอเรามาได้ยินอีกครั้งหนึ่งเราก็จําได้เราได้เคยได้ยินเสียงสังเสียงแตรนี้มาก่อนแต่พอเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็จําได้ ยังมัวแต่หลับไหลเราระลึกได้นั่นคือการตื่นแล้วให้เราตื่นจากการหลับไหลตื่นในที่นี้ก็คือว่าให้เรามีสตินีระลึกมีสติอยู่ในลมหายใจมีการสมรสมอินรีคนตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มารู้สัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างคนนอนหลับอยู่เนี่ยสัมผัสพวกนี้มันมันดับหมดคือเราไม่ไปรับรู้อะไรของมันเลย เลยพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บ เ, เรารับรู้ทางตารับรู้ทางกายเากายเรามีอยู่ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้แล้วคือมันมีผัสสะนั่นเองณตื่นมารับรู้สิ่งต่างๆก็ให้มีการสํารุมอินสีณเราได้ยินเสียงธรรมะแล้วระได้ยินเสียงตีกระหน่ากลองอันเป็นอมตะที่พระเจ้าตีกระหน่าเอาไว้แล้วตื่นได้แล้วตื่นแล้วมาสมรุมอินสียรักษาจิตด้วยการที่คอยระวังตาหู จูลิ้นกายแลใจของเรานี่บางคนนอนหลับเนี่ยนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเลยนะว่าโอ้อันนี้เป็นอย่างงี้ฉันไปที่นี่มาแล้วบางคนฝันนี่เหมือนจริงมากๆากแต่ถ้าฟังเคยนอนหลับแล้วฝันเนี่ยฝันฝันบางอย่างเนี่ยเออมันไม่เหมือนจริงมันเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แต่ฝันบางอย่างฝันบางเรื่องบางราวนะโอ้มันเหมือนจริงมากต้องผัสสะทางตาทางหู บางคนถึงกับละเมอออกมานะเป็นเรื่องราวต่างๆนะมันเหมือนจริงมากเลยแต่ว่าตื่นมาแล้วเอ้ามันฝันนี่นะโอ้แต่มันเหมือนจริงจริงๆเลยนะเนี่ยเหมือนกับไปเหตุการณ์นั้นมาจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เรามาพูดมาฟังอยู่บนโลกเนี้ยมันจริงหรือมันฝันกันแน่มันจริงหรือมันฝันกันแน่ที่เราอยู่บนโลกนี้ที่เราได้ยินเสียงนี้อยู่เดี๋ยวเราก็ไปทํางานไปเรียนหนังสือ มันของจริงหรือของปลามกันแน่นั่นบอกให้ก็ได้มันเหมือนของในความฝันนั่นแหละท่านฟังแม้ในปัจจุบันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงๆนะมันก็คือเหมือนของในความฝันนั่นแหละแต่ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนั่นเพราะว่ามันมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างเวลาเราฝันเราหลับแล้วฝันเนี่ยกับเวลาเราตื่นแล้วเราเจอเรื่องราวต่างๆจริงๆมันเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงแล้วฝันปุ๊บตื่นปุ๊บหายหมด แต่ว่าเรามีจริงๆนะเรามาอยู่โลกนี้จริงๆฉันไปซื้อข้าวได้กินจริงๆเนะเวลาเออออกมาก็อุจระออกมาจริงๆเหม็นจริงๆแต่ถ้าเราตายเนะี่ยพวกนี้หายหมดหายหมดเลยเหมือนตอนเราตื่นตอนเราตื่นเนี่ยจิตเราก็ตายจากตรงนั้นละนะีแต่พอเราเราตายออกจากความฝันตรงนั้นมาความฝันนั้นก็ดับไปไอ้ที่ฝันที่อะไรต่างๆเหมือนจริงเป๊ะหายหมดดับหมด แ, แค่จําได้เฉยบางคนจำไม่ได้ได้วยซตัวเองฝันอะไรไป เหมือนกันเวลาที่กายนี้เราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆจับดูมีตัวจริงๆจับจมูกฉันก็ยังมีลมหายใจออกมาได้กลิ่นดอกไม้ได้ยินเสียงต่างๆจริงๆเลยแต่ตอนที่เราตายพวกนี้หายหมดหายหมดเลยหรือเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วอย่างของเรื่องเมื่อวานนี้มันจริงๆเลยนะฉันก็ไปกินไอนี่มาไปคุยกับคนนี้มาแต่พอเหตุการณ์เลื่อนล่างผ่านไปนปีหนึ่ง สปีหปีสิปียี่ปีเหตุการณ์20ปีที่แล้วท่านยันูุฟังเคยผ่านมาเนี่ยสิบปี20ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันเลื่อนล่างนะมันเกิดขึ้นจริงๆริงไหมจริงๆอยู่แต่มันผ่านไปแล้วนะนี่แหละคือสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมันไม่เตียงมันทั้งปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิงอื่นๆไปพร้อมกันนะมันไม่ได้ไว่าจะอยู่ในสภาพเดียวได้ อย่างเวลเรานอนเราไม่ได้นอนได้หมด24ชั่วโมงบางคนอาจจะนอน24ชั่วโมงอยู่บางคนอาจจะนอนกว่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะนอนได้ตลอดเวลาแตมันก็ต้องพลิกเปลี่ยนแปลงคุณนอนอาจจะนอนหลายวันบางคนไปโรงพยาบาลนอนมันอาทิตย์หนึ่งแต่มันก็ต้องมีวันหายหรือมีวันตายใช่ไหมไม่หายก็ตายแล้วเดี๋ยวถ้าหายก็ต้องลุกขึ้นมาเดถ้าตายก็เปลี่ยนแปบงเขาอาไปฝังเขาไปเผามันอยู่ได้ไม่ตลอดหรอ มันเป็นสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ได้ยากก็คือเราไปทนมันก็ยากแล้วตัวมันเองใจมันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็ยากออกมันที่มันจะเป็นแต่น้ําแข็งถ้าคุณเอามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วมันก็ละลายมันทนไม่ได้ที่มันจะอยู่ในสภาพนี้เป็นความของแข็งของมันเนี่ยเป็นก้อนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องออกมาเป็นของเหลวเพราะความที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองหน้ากายของเราอันนี้มันทนอยู่ไม่ได้ เกินร้อยส0งอปีหรอกนคนอายุพันปีเนี่ยเราไม่เคยเห็ น, นเห็นแต่ซากเป็นมอมมี่อย่างนี้แตก็ไม่มีชีวิตละเปลี่ยนแปลงไปล ะ, ะเหนี่ยวย่นละไม่น่าดูละกายของเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่แหละเสียงแห่งความจริงท่านผฟังเสียงแห่งความจริงนี้บางทีฟังแล้วเราอาจจะไม่ชอบใจแต่มันเป็นเครื่องเตือนสตินะเป็นนาฬิกาปลุกนะปลุกเราให้ตื่น ชอบใจไม่ชอบใจก็มันก็เป็นมันจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วนะเราควรจะต้องตื่นลุกขึ้นมานะเพื่อที่จะมารู้ความจริงบางที่เรากลัวด้วยก็ดีแล้วนะกลัวต่อบาปทำไมจะไม่ดีอนะย่างเทวดาเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงบรรลือเสียงนาศขนะองพระพุทธเจ้าบึ้มขึ้นไปเนี่ยเขาก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจนะนะรู้สึกกลัวในบาปกรรมที่เราเคยทาไว แตนะ่ความยึดถือที่เราคิดว่าโอ้ยกลายนี้ฉันเที่ยงแท้แน่นอนฉันเป็นหนึ่งในโลกฉันควบคุมทุกอย่างฉันสร้างนั่นสร้างนี่มันรู้สึกว่าไอ้ที่เราทํามาเนี่ยมันชั่วชั่วมันไม่ดีไม่ดีความชั่วความไม่ดีพอเราระลึกถึงมันมันรู้สึกกลัวรู้สึกไม่สบายใจก็ถูกต้องแล้วนั่นแหละคือความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปคนเราต้องมีหรีริโอตปาในใะจฟัง ฮิริโอตปากคือความละอายความกลัวต่อบาปมีแล้วดีก็ถามว่าเราพระอรหันต์เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระปัจเจกบริชาท่านกลัวอะไรบางคนก็จะบอกว่าเออกลัวไม่กลัวตายหรอกไม่กลัวสิ่งใดไม่กลัวสิ่งนั้นไม่กลัวสมีอยู่กลัวน่ยคือกลัวต่อบาปนั่นเองกลัวต่ออกุศลระดทั้งหลายกลัวว่าโอ้ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใหญ่ได้มีการกระทํา สิ่งที่เป็นอกุศลเราทนั้นเลยเราพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่กลัวบาปตรงนั้นเนื่อกลัวสิ่งที่เป็นอกุศลละอายตบะจะทําผิดศีลอย่างเงี้ยโอ๊ยทําไม่ได้หรอกทาไม่ลงเพราะว่ามันเป็นสิ่งมรดกที่พ่อเราให้ไว้เราจะมาเฟื่อเราจะมาทําผิดมันไม่ได้เวลาที่เราได้ยินเสียงธรรมะเสียงกระหน่าตีกลองแห่งอมาตะธรรมแล้วเนี่ยเราเระลึกได้เราตื่นแล้ว ตื่นแล้วเราก็มาทำความเพียนมามีสติในการที่เราตื่นนะคือการที่เรามีสติการที่เราระลึกได้ว่าอันนี้เป็นเสียงกลองเสียงเปิงมางเสียงสังระลึกได้แล้วนั่นก็คือการที่เรามีสติแล้ ว, ลวเรามีสติแล้วเราพยายามทำอินทรีย์ของเราให้มันหมดจดในอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราทำอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ให้มันหมดจดแล้ ว, ลวเราจะบรรลุธรรมเห็นบรรลุคุณวิเศษขึ้นมาได้เราพยายามทําอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นมาให้มันบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาเราก็จะบรรลุธรรมได้เร็วพลันในอินทรีย์นี้คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเราเสริมสร้างศรัทธาของเราในคําสอนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราเสริมสร้างกําลังใจความเพียร นะให้มีกำลังใจในการปฏิบัติให้มีการตั้งหน้าตั้งใจในการทำนะมีสติฝึกสติฝนะึกสมาธิฝึกปัญญานะเราจะบรรลุคุณวิเศษบรรลุถึงเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเราระลึกไดนะ้การที่เราระลึกได้ในครั้งนีนะ้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าครั้งนี้เราเคยฟังมาเท่านี้แต่ว่าก่อนก่อนนี้เราก็เคยฟังมาก่อนนะอาจจะไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติก่อนอาจจะไม่ใช่แค่ เมื่อวานนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ก่อนอาจจะไม่ใช่แค่อาทิตย์ก่ออาจจะเป็นเดือนก่อนปีก่อนเราเคยได้ฟังมาได้ยินมาเรายังจึงระลึกไดนะ้การได้ยินได้ฟังธรรมะการระลึกถึงธรรมะการที่นึกถึงว่าโอ้นี่เป็นคํำสอนของพระเจ้านะอันนี้เป็นสิ่งที่มรดกที่พ่อเราทิ้งไว้ให้แล้วเนี่ยบางทีเราระลึกได้เองกรนะบวนการการระลึกตรงนี้มันก็มีอยู่หมด4อย่างเนี่ยบางทีเราระลึกได้เอง เรนึกขึ้นได้ว่าโอ้อันนี้ฉันต้องทําความดีละอันนี้ฉันจะต้องสร้างสมความดีอันนี้คือบางทีเราระลึกตัวเองหรือบางทีมีภิกษุมาเทศให้ฟังอนนอย่างกรณีข้าพเจ้ามาเทศให้ท่านฟังฟังทางรายการธรรมรัปรุณเอามาตื่นมาปลุกให้ตื่นมาเตือนสติกันนะตีกลองให้ได้ยินเป่าสังให้ฟังให้รู้ได้ยินได้ยินเสียงธรรมะอาจจะไม่ชอบใจล่ะแต่ชอบใจไม่ชอบใจก็ตื่นแล้วกัน หรือบางทีกิจา ก, การที่มีคระว่าสมาเทศให้ฟังคนะราว่าหลายหลายคนก็กล่าวธรรมะนะหรือว่าแสดงธรรมะก็มีนะคุณฟังจากบุคคลเหล่านั้นโอ้ oh, นี่เป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนไว้เราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมาเราก็มีการสมรสมอินทรีย์ระวังอินทรีย์ฝึกสติฝึกสมาธิของเราหรือกรณีที่สนีะ่ก็มาจากการที่เพื่อนของเราบางทีมาเล่าให้เราฟังนะว่าโอ้ oh, ธรรมะเป็นอย่างงี้อย่างนี้ หรือว่าชักชวนมีเพื่อนดีชักชวนกัมนมาในการฟังธรรมะนั่นก็คือมีเพื่อนชวนนั่นเองแปลไม่ว่าคุณจะระลึกถึงธรรมะได้ระลึกถึงความดีความงามมีความกลัวความละอายต่อบาปได้จากการที่การาฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเราระลึกขึ้นได้เองมีพระมาเทศมีคระบาสมาเทศหรือว่ามีเพื่อนมาบอกก็ได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นพอเราได้ยินแล้ว นะให้เห็นในกายของเราเห็นในกายของเราเราฟังด้วยหูถูกไหมเราฟังด้วยหูมันผ่านมาต่างกายนะให้ทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้พุงทั้งหมดเนี่ยให้มันได้ยินไปด้วยให้มันรู้ไปด้วยว่าสิ่งเหล่านี้กายของเรานี้ก็มีความแต่งดับเป็นธรรมดามีความที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานี่ไม่ใช่หมายความว่า มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคือหมายความว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะในเรื่องอาการเจ็บป่วยแต่นะถ้าเราคิดว่าเออเราก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแต่คือเราคงจะต้องป่วยมันไม่แน่บางทีบางคนทําบุญมาดีอาจจะไม่ได้ป่วยอาจจะอาจอาจะเกิดขึ้นได้นะอาการเจ็บป่วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะเราทํายังไงล่ะเราไม่ใช่ว่าไม่สนใจมันแต่นะถ้าเราสนใจให้ถูกอย่างเช่นว่าปัญหาที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยบางคนเออไม่สนใจมันหรอก ไปมไปช่างมันช่างมันนะปัญหาเกิดขึ้นในสังคมปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองน่ะเราไม่ทําอะไรสักอย่างกับปัญหาเนี่ยเราก็ช่างมันช่างมันไม่สนใจไม่สนใจคิดว่ามันจะดีขึ้นไปเองเนี่ยมันโรคในกายของเรานะมันปวดตรงนั้นมันเจ็บตรงนี้เอาคุณคิดว่ามันเป็นเองได้มันก็จะหายเองได้บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นนะน่ะเราก็ช่างมันไม่สนใจมันเราปล่อยวางอันนี้คุณข้ามขั้นตอนแต่ถ้าเราได้ยินเสียงธรรมะน่ะเราได้ยินเสียงเบลือศีนานี้แล้วทําความเข้าใจให้ถูก อย่าลัดขั้นตอนนะด้วยการที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาซะนะคนเราเจอปัญหาเจอความทุกข์ในโลกนี่มีทางเลือกอยู่2ทางคือทางที่1ก็คือเขจมปลักอยู่กับปัญหาไม่ทําอะไรก็จมอยู่ในปัญหานั้นนะแล้วก็อาจจะวุ่นวี่วุ่นวายไปตามก็เรื่องของเขานะหรือทางที่สองนะก็คือว่าแสวงหาทางออกจากภายนอกน่าจะมีใครสักค น, นหนึ่งรู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธี ในกระบวนการการแก้ปัญหานี่มีอยู่เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต้องฟังเผชิญชนหน้าปัญหาแก้ไขปัญหานั้นด้วยจิตใจที่เป็นธรรมด้วยจิตใจที่มีวิ น, นัยด้วยจิตใจที่สงบใ น, นเราต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยวางปัญหาในสังคมมีเยอะแยะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนนในเราไม่สนใจเราไม่แก้คือถ้าคุณเกี่ยวข้องอยู่ถ้าคุณอยู่ในสังคมคุณเห็นสังคมมีปัญหาแล้วคุณไม่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ มันจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาแต่เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างปัญหาในสังคมตอนนี้มีอะไรในะเรื่องของศีลธรรมในะเรื่องของความไม่สามัคคีกันเราจะแก้ันด้วยยังไงเราก็ต้องแก้ด้วยการให้จิตของเรากายของเราวาจาของเราเป็นกายวาจาใจที่มีศีลธรรมเป็นกายวาจาใจที่ทําความดีเร่งทําความดีให้มากขึ้นนะชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมนะให้มีความสามัคคีกันนะต่อสู้อดทน มีความเมตตามีความรักใคร่เอ็นดูอย่าเบียดเบียนกันเราสู้อย่างนี้เราเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างนี้เราไม่ได้หนีปัญห า, าปัญหามาเราต้องสู้ปัญหามาเราต้องแก้ไขแก้ไขด้วยใจที่มีเมตตาแก้ไขด้วยใจที่มีความรักใคร่เอ็นดูมีความไม่เบียดเบียนมีความอดทนความอดทนนี่แหละสำคัญท่านฟั ง, งอดทนไม่ใช่ว่าเก็บกดนะอดทนไม่ใช่ว่าไม่ทาอะไรนะ อดทนละทําทําด้วยความอดทนแก้ด้วยความอดทนเนืนเราได้ยินเสียงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไปแล้วในการปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็เอาเสียงนั้นมาบอกต่อผ่านทางวิทยุนี้ถ้าดูฟังฟังแล้วมีคําถามไม่เข้าใจก็อย่าลังเลที่จะเขียนมาถามมาน่าจะยินดีที่จะตอบให้น่สิ่งใดที่ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์ ก็เอารับกันไปเอาไว้นะแต่อย่างไรก็ตามต้องกลับมาดูที่คำสอนที่เสียงนั้นให้ดีแนะว่าเสียงนั้นว่าอย่างไรมีความหมายอย่างไรมีกินไหนยะนะเราทำอย่างนี้จะทำธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ให้เจริญกันได้ในวันนี้ครับชาพระพาบูลอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศ ก, ก็ขอลาไปก่อนถ้าเดินฟังต้องการติดต่อ ก, กับทางรายการนะแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็ขอให้เขียนใบเสนียบัตรก็ไดนะ้ไม่ต้องซื้อสแตมหรอกแต่เขียนใบสนียบัตรนะส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีโทรศัพท์มือถือที่มันเข้าอินเทอร์เนต็ตได้ก็ไปที่เพียวธรรมะดอทคอมพูรีด e ที่ต่อกระทังรายการได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่ม่าน